บทที่สิบสามโรสอีกครั้งเก้ากันยายนปี1963เสาเสียงผู้หญิงสำเนียงคอคนี่ดังแหวกความเงียบขึ้นมาน้ำเสียงนั้นช่างแสนคุ้นหูสวัสดีคุณวูดสวัสดีคุณกรีนสวัสดีจ้ะโรสเบ็ตตี้กรีนกล่าวทักทายคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉันฉันยังไม่ได้บอกอะไรคุณเลยฉันจำเธอได้โรส โอ้ฉันต้องมีเสียงที่ต่างจากเสียงคนอื่นๆมากเลยละสิฉันไม่นึกว่าคุณจะจำฉันได้มันนานมาแล้วตั้งแต่ที่ฉันได้เคยคุยกับคุณฉันคิดว่าพวกคุณน่าจะลืมฉันซะแล้วเราไม่มีทางลืมเธอหรอกโรสบูดบอกมีคนตั้งมากมายแวะมาคุยกับคุณเธอกล่าวสัปดาห์ต่อสัปดาห์คุณต้องพบกับคนมากมายเรายังมีเราเพิ่งฟังเสียงเธอไป เอ๊ะคุณทำได้ยังไงคะเราบันทึกเทปไว้และเราเพิ่งเปิดฟังเทปที่อัดเสียงของเธอดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่ทุกคนสนใจเลยนะคะรถบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาที่นี่พวกเขาจะคุยกันเรื่องคุณตอนนี้เธอกำลังทำอะไรบูดถามอ๋อเธอตอบฉันใช้เวลาส่วนใหญ่กับพวกหนุ่มๆสาวๆฉันรักเด็กๆ ทำงานกับพวกเขาไม่รู้สินะสิ่งที่ฉันทำบางคนอาจคิดว่ามันประหลาดแต่คุณรู้ไหมฉันชอบอยู่เงียบๆหลายชั่วโมงเวลาที่นั่งทำงานเย็บปักถักร้อยหรืออ่านหนังสือเธออยู่ในบ้านหลังเดิมหรือเปล่าโรสใช่ใช่และฉันก็มีความสุขฉันไม่เคยคิดอยากไปไหนแน่นอนคุณคงรู้จักคนประเภทที่ต้องการไปได้ไกลกว่าเดิมเสมอ แต่มันก็เท่านั้นแหละฉันไม่คิดว่าจะทำแบบนั้นได้สักเท่าไหร่แต่สักวันคงมีแรงกระตุ้นให้ทำแต่แล้วทำไมฉันจะต้องไปละ่ะฉัน่ะสบายดีมีที่เล็กๆน่ารักของตัวเองมีเรื่องน่าสนใจมีเพื่อนๆของฉันบ้านของเธอเป็นอย่างไรโรสก็ปกติธรรมดาคล้ายบ้านเล็กๆน่ารักชาญเมืองที่ฉันอยากไปอยู่แถวลอนดอนในตลอดชีวิตนั่นแหละ ฉันคิดว่าคงจะดีถ้าได้มีหรือย้ายไปอยู่ชานเมืองนอกเมืองอะไรแบบนั้นจะได้เลิกทำงานหนักแล้วทีนี้ฉันก็ได้ทุกสิ่งที่ต้องการแล้วฉันไม่ปรารถนาในสิ่งอื่นใดฉันคิดว่านั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ดีนะักแต่ก็ไม่รู้สิใครๆก็บอกฉันว่าฉันควรมีความทะเยอทะยานหากฉันก็ยังมีความสุขในบ้านหลังน้อยของตัวเอง เธอมีสวนไม้โรสมีสิคะเป็นสวนเล็กๆปลูกดอกไม้ไว้เองและไม่เคยเด็ดสักดอกไม่เหรอไม่สิคะฉันปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติและฉันก็มีความสุขที่สุดเป็นสุขในการดูแลมันคอยเฝ้ามองถ้าทางพวกมันจะไม่มีวันตายพวกมันมีชีวิตใช่ค่ะพวกมันมีชีวิตมีพลังงานเธยได้เพียเที่ยวสถานที่ต่างๆบ้างหรือเปล่าโรส ก็มีบางครั้งแต่ฉันไม่ใช่คนที่ชอบเที่ยวฉันออกไปหาเพื่อนๆ พ, พูดคุยกับเขาแต่ไม่ถึงขั้นออกไปตระเวนผจนภัยบางคนออกเดินทางไปไกลๆไม่ได้เจอกันอีกพวกเขาคงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนั่นแหละเธอมักน้อยจังนะค่ะบางคนบอกว่าไม่ดีหรอกที่มักน้อยแต่ฉันกลับไม่คิดแบบนั้นฉันคิดว่าไม่ดีเลยถ้ามันจะมักมาก แต่คงพูดได้ว่าถ้าเรามักน้อยเราจะไม่ก้าวหน้าไม่ได้ไปที่ไหนไหนบางทีฉันคงยังไม่มีแรงขับให้ก้าวไปข้างหน้าและถ้าฉันไม่เห็นว่าฉันควรยุติในการดำเนินสิ่งต่างๆที่มีในปัจจุบันเพื่อไปสู่สิ่งที่ฉันไม่รู้อะไรเลยนอกจากมีคนมาบอกสิ่งที่ฟังแล้วดูดีแต่ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะมีความรู้มากนักเกี่ยวกับมันแต่ฉันก็มีความสุขในที่ที่ตัวเองอยู่ บังกะโลของเธอเป็นยังไงบูดดึงกลับเข้าเรื่องเพื่อเลี่ยงไม่ให้เธอพูดเลือดเปื่อยไปนะเล่าให้เราฟังได้ไหมเล่าอะไรคะบังกะโลของเธอน่ะเธอบอกว่ามันเป็นบ้านหรืออะไรนะอ๋อค่ะเธอบอกที่เล็กๆอยู่ในทุ่งชนบทมีห้องสี่ห้องมากพอที่ฉันจะดูแลได้หน้าขํานะคะไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นเกาะที่ไหนเลย เราไม่ต้องเดินไปทั่วบ้านเพื่อปัดฝุ่นมันสะอาดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็นั่นแหละคุณรู้ไหมคะว่าเขาพูดกันว่ายังไงฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาไม่ให้ฉันมองข้ามเสียทีเดียวแต่พวกเขาบอกว่าฉันจะสกระปรกเพราะฝุ่นน่ะตกาะในบ้านได้ถ้าจิตใจฉันคิดไปในทางที่ไม่ดีฉันสบายใจที่จะให้ทุกอย่างเติบโตและทาในสิ่งที่มันต้องการทา และดูเหมือนไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนกเข้ามาในสวนพวกมันแสนจะเชื่องไม่มีใครรู้สึกตัวว่าจะต้องทำลายอะไรนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากใช่มันดีมากๆแล้วพวกเขาก็คุยกันเรื่องย้ายที่แต่ฉันว่ามันก็ดีสำหรับคนที่มีความรู้มากขึ้นสูงขึ้นพวกเขาควรจะได้ก้าวไปสู่สถานที่ที่แตกต่างออกไป แต่ฉันก็มีความสุขในสถานที่ที่ตนอยู่ทำไมฉันต้องย้ายด้วยละ่ะพวกเขาพูดกับฉันเสมอว่าฉันควรเออเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ฉันยังไม่คิดเธอกลับไปสู่เรื่องความกังวลที่ค้างคาของตัวเองบูดต้องดึงเธอกลับเข้าบทสนทนาอีกครั้งโรสเขาเอ่ยทั้งที่แล้วที่ได้คุยกันคุณบอกว่าไม่เคยเห็นทะเล แล้วตอนนี้ได้เห็นน้ำทะเลบ้างหรือเปล่าฉันไม่เคยเห็นทะเลแล้วก็ไม่ได้อยากเห็นทะเลเธอไปทะเลสาบอยู่บ้างไหมเธอเล่าว่ามีทะเลสาบและอ๋อมีเรือหลายลำเบ็ตตี้กรีนสมทบค่ะฉันไปทะเลสาบโรสตอบฉันชอบไปที่ทะเลสาบที่นั่นเงียบดีไม่วุ่นวายฉันไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องไปทะเลทะเลไม่เคยอยู่ในใจฉันเลย เธอเคยไปเมืองใหญ่ๆบ้างไหมเธอบอกว่ามันมีอยู่หลายเมืองอ๋อใช่มีเมืองใหญ่อยู่หลายเมืองบางครั้งฉันก็ไปแต่มันจะไม่เหมือนเมืองใหญ่อย่างที่คุณเข้าใจหรอกฉันหมายถึงคุณจะไม่เห็นร้านค้าไม่มีที่ให้ไปถ้าคุณไม่ใช่คนของที่นั่นแต่คุณต้องการอยู่ท่ามกลางคนมากมายคุณคงคิดว่าคุณจะต้องได้อยู่ในเมืองใหญ่มีเพื่อนบ้านไหมล่ะ ปกติก็มีคนอยู่รอบๆมากมายพวกเขาก็คล้ายๆฉันโดยมองจากภายนอกความคล้ายกันบางอย่างคงเป็นตัวกําหนดให้พวกเราได้มาอยู่รวมกันเราอยู่ด้วยกันมีความสุขในแบบของเราผ่อนคลายฉันได้เรียนหนังสือซึ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสตอนที่ฉันยังอยู่บนภพของคุณฉันเรียน ABC และสิ่งที่ต้องเรียนตอนนี้อ่านหนังสือได้แล้วมีหนังสือหลายเล่ม มีคนนําหนังสือมาให้ฉันเยอะแยะและบางครั้งพวกเขายืมหนังสือฉันเรานั่งคุยกันอ่านหนังสือคุณคงประหลาดใจในเรื่องนี้ทุ่งหญ้า ก, กับสิ่งต่างๆที่นั่นเป็นยังไงมันสวยไหมสวยสิคะทุ่งหญ้าเขียวเขียวคุณคงแปลกใจเรามีไล่เข้าโพดด้วยนะอย่างนั้นเหรอแล้วเรื่องตลกก็คือเราไม่มีฤดูการไม่เหมือนกับบนโลกฉันไม่เคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าฝน เธอไม่มีฤ ด, ดูไม่มีฝนและไม่เคยมีบรรยากาศมืดมัวไม่รู้สึกร้อนอากาศสดชื่นรื่นรมเสมอแต่ฉันก็ยังไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ดังนั้นฉันก็คิดว่าแสงสว่างคงไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เพราะไม่เคยเห็นมันเลยโรสยญ้าที่นั่นเหมือนของเราหรือดีกว่าอ๋อมันหยุ่นหยุ่นใต้ฝ่าเท้าน่ารักมากสีเขียวสวยและฉันเคยไปอยู่ในสถานที่ที่มีดอกไม้สูงมากๆ เราเจ็ดฟุตเห็นจะได้มันเหมือนเดินผ่านป่าดอกไม้จริงเหรอโรสแล้วเขาทำอะไรกับไรข่ข้าวโพดพวกเขาตัดมันหรือเปล่าหรือทำอะไรกับมันไม่ค่ะฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเห็นใครทำอะไรกับมันแล้วมันก็อยู่แบบนั้นไม่เคยเห็นขนมปังจากข้าวโพดเลยหรือไม่ค่ะและเรื่องตลกอีกเรื่องก็คือฉันไม่รู้สึกอยากทานอาหารตอนแรกๆที่มาที่นี่ก็มีบ้าง ส่วนใหญ่เป็นพวกผักผลไม้จนคุณไม่ปรารถนาและรู้ว่ามันไม่สำคัญแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงไปจากชีวิตคุณฉันเป็นคนหนึ่งที่ดื่มชาเพราะชอบดื่มชาคุณคงถามว่าเอาชามาจากไหนก็คงเอามาจากไหนสักแห่งบนโลกพิพพนี้เธอได้ชามายังไงบูซักแค่คิดว่าอยากจะได้แล้วเธอก็ได้เลยหรือค่ะเรื่องหน้าขำ ฉันไม่ต้องเข้าห้องครัวไม่ต้องตั้งกา้น้ำไม่ต้องชงชาแค่คิดว่าอยากดื่มชาสักถ้วยแล้วฉันก็บอกได้ว่ามันมีชาอยู่ตรงนั้นนั่นดีมากเลยค่ะกระทั่งคนที่นี่เขาก็บอกว่านั่นไม่ใช่ชาจริงๆหรอกเป็นเพราะฉันคิดมันก็เลยจำเป็นต้องมีมันจึงเป็นไปได้แต่ถ้าฉันหมดความปรารถนาในรสของชาซึ่งฉันเคยดื่มมันมาตลอดชีวิตมันก็จะไม่อยู่กับฉัน ฉันจะบอกความจริงแก่คุณว่าเหตุหนึ่งที่ฉันไม่อยากไปไหนไม่อยากย้ายเพราะกลัวว่าฉันจะไปไกลเกินและจะหมดความอยากดื่มชาจะไม่ได้ดื่มมันอีกโรดพูดนอกเรื่องด้วยน้ำเสียงเลื่อนลอยพูดพยายามดึงเธอกลับเข้าเรื่องรอให้เธอหยุดพูดเพื่อเปลี่ยนเรื่องต้นไม้และสิ่งของต่างๆที่นั่นมันออกดอกออกผลหรือเปล่าค่ะต้นไม้สวยงามออกดอกสวยงามมีกลิ่นด้วย กลิ่นมันหอมมากแล้วเธอมีเพลงไพเราะในพบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะฉันเคยไปฟังคอนเสิร์ตตั้งหลายครั้งมันไม่ใช่เพลงชั้นสูงไม่ใช่แจ๊สไม่ใช่เพลงอย่างที่คุณเคยฟังบนโลกนั่นเป็นบทเพลงที่ลึกไม่ค่อยมีเพลงทางศาสนานักเพราะบางครั้งมันก็ทําให้ฉันสะดุง้งโรสเธอบอกว่าเธอทํางานเย็บปักถักร้อยเบ็ตตี้กรีนแท็กเธอตัดเสื้อผ้าด้วยเหรอค่ะ ฉันทำอะไรสองสาอย่างและมีคนเอาวัตถุดิบอุปกรณ์จำเป็นมาให้แก่ฉันสุภาพบุรุษที่น่ารักคนหนึ่งฉันเจอเขาที่นี่เขาน่ารักมากๆเขามาจากชั้นบรรยากาศที่สูงกว่าแต่เขาก็มาและมาเยี่ยมเพื่อนของฉันด้วยเขาไม่เคยมามือเปล่าใจกว้างมากจนทำให้ฉันรู้สึกละอายใจเสมอเพราะฉันคิดว่าน่าจะหาอะไรให้เขาบ้างไม่นานมานี้ เขาเอาผ้าชิ้นสวยมาให้ฉันเป็นสีน้ําเงินงดงามสีโปรดของฉันเลยละ่ะเขาบอกว่านี่เป็นผ้าสําหรับฉันฉันจะได้มีชุดสวยๆใส่เวลาเธอออกไปชนบทเธอเห็นสัตว์ต่างๆบ้างไหมฉันเห็นสัตว์ต่างๆในทุ่งหญ้าไม่กลัวมันหรอกที่นี่พวกมันเชื่องแล้วก็เหมือนคุยกับเราได้แน่นอนฉันไม่ชอบสัตว์เลื้อยคานไม่ชอบกบอะไรพวกนี้ และฉันก็ไม่เคยเห็นมันเลยสักตัวฉันได้ฟังมาว่าพวกมันอยู่ในพบที่ต่ำลงไปหรืออะไรทำนองนั้นฉันไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นพวกแมลงเหมือนกันอย่างแมลงวันอะไรแบบนี้หรือผีเสื้อแต่ฉันเห็นผีเสื้อหน่าแปลกนะผีเสื้อสวยมากก็อีกล่ะค่ะพวกมันไม่มีวันตายตลกจังเลยเราไม่ตายไม่มีอะไรตาย ตอนแรกที่ฉันมาที่นี่และเริ่มปรับตัวได้ฉันคิดว่าจะอยู่ที่นี่ได้อีกนานแค่ไหนมันน่าแปลกมากเรายังอยู่ต่อไปได้อีกตั้งหลายหลายปีกลายเป็นคนแก่แต่ยังทำอะไรได้ดีเหมือนคนหนุ่มคนสาวมันต้องมีอะไรสักอย่างนอกเหนือจากนั้นแต่ที่นี่ไม่มีการตายมันเหมือนกับเราอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆจากนั้นเราก็จะจากไปอยู่ที่หรือมีคนมาเลี้ยง หรือเกิดนึกได้ว่าคุณรู้เรื่องทุกอย่างแล้วคุณก็จะเปลี่ยนไปมันจะเกิดขึ้นในลักษณะของการนอนหลับจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงฉันกลัวนะว่าถ้าเวลานั้นมาถึงแล้วฉันไม่อยากไปเพื่อนของฉันหลายคนบอกว่าฉันควรต้องไปแต่ฉันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ควรทำครั้งสุดท้ายเธอบอกว่าเธอผมยาวบูดเท้าความมาถึงปัจจุบัน อ๋อใช่ยาวสมัยก่อนฉันตัดผมไว้ผมสั้นเธอเคยพบสาธุคุณเรตันโทมัสใช่ไหมบูดถามท่านเคยมาครั้งหนึ่งเขาน่ะเหรออ๋อฉันจำได้ฉันเคยเห็นเขาหลายครั้งในระยะหนึ่งแต่ระยะหลังมานี้ฉันไม่เห็นเขาอีกเลยบางทีเขาคงไปแล้วบนโลกเหล่านี้เราเคยพูดกันว่าโถผู้เท่าที่น่าสงสารท่านจากเราไปแล้ว ที่นี่ก็เหมือนกันเพราะมีบางคนมาพูดแบบนั้นคุณคิดว่าไงล่ะคะความหมายที่พวกเขาจากไปแล้วจากไปอยู่อีกชั้นบรรยากาศหนึ่งหรอใช่ค่ะกระบวนการนี้ทำให้ฉันเสียเพื่อนไปหลายคนพวกเขาไปแล้วแต่ฉันไม่รู้อย่างที่บอกฉันชอบที่จะอยู่ที่นี่ที่นั่นมีม้าหรือเปล่ามีค่ะสวยด้วยแหละเธอขี่ม้าได้ไห้โรสไม่ใช่ค่ะ ให้ฉันขี่ม้านหรือไม่หรอกคุณให้ฉันขี่ม้าไม่ได้ฉันรับมันก็จริงแต่ฉันก็กลัวนึกภาพสิเราต้องไปกระเด้งอยู่บนตัวม้าเนี่ยนะเมืองเล็กๆ เ, เป็นยังไงก็สวยดีแต่ฉันไม่ได้อยู่ในเมืองที่นั่นมีสวนสาธารณะให้เด็กๆ ด, ด้วยโดยเฉพาะอาหารสารพัด ส, สถานที่ใหญ่ๆไว้บรรยายอบรมมีห้องสมุดที่พักผ่อน ที่หาความบันเทิงทุกอย่างดีไม่มีอะไรที่ถูกๆส ก, กรปรกทุกอย่างดีจริงๆมีระดับแต่ก็ชวนบันเทิงฉันเคยไปลงละครสองสามคนไปดูละครได้เห็นคนดังๆมากมายที่เคยอ่านเจอและฉันไม่เคยไปลงละครเลยเนื่องจากฐานะของฉันไม่อำนวยบางครั้งฉันก็ไปแกลลอรี่และดูดาราเก่าๆสักคนสองคนที่นี่ฉันเห็นแค่ไม่กี่คนเอง พวกเขาส่วนมากยังต้องทำงานอยู่เหมือนเดิมเมืองมีสีสันไหมค่ามีแต่สีสันมันขึ้นอยู่กับความหมายของคุณสีสันที่ว่าฉันไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้านหรือตึกที่ถูกทาสีแดงสีขาวและน้ำเงินอะไรแบบนั้นนะคะไม่ไม่แต่สถาปัตยกรรมละ่ะสวยมากหลากหลายมีทุกอย่างหินหน้าตาเป็นยังไงหินไม่รู้สิคะ ฉันว่ามันก็เหมือนมุกโอ้โหนั่นดีมากเลยเบ็ตตี้กรีนอุทานฉันอาจคิดว่ามันทำมาจากมุกไม่มีหกเฉดสีก็ดูเหมือนหินนะแต่ฉันไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแน่นอนมันเป็นวัตถุอีกอย่างหนึง่งไม่มีการจราจรไม่มีร ถ, ไ ม, มรถไม่มีมอเตอร์ไซค์ทุกคนพอใจจะเดินไม่มีใครอยากขึ้นรถนั่นไม่จำเป็นที่นี่แค่อาศัยความพยายามแต่ถ้าเธอต้องการไปที่ไหนไกล เธอก็ไปด้วยได้ความคิดใช่ไหมฉันไม่รู้หรอกว่าเราไปด้วยความคิดหรือไม่ฉันรู้แค่ว่าถ้าต้องการไปไหนสักที่เราก็จะเจอตัวเองอยู่ที่นั่นไม่ต้องพยายามนักหนาอะไรที่นั่นมีไม้ไหมไม้ดีๆนะ่ะมีไม้สวยๆใช่มันวิเศษไม่มีใครจําเป็นจะต้องกลัวตายที่นี่สิ่งที่ทุกคนจะได้พบได้รับรู้ถ้าพวกเขาไม่มีปัญหาในใจหรือมีภูมิหลัง ในส่วนใหญ่แล้วพวกเราที่มาถึงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลยกเว้นว่าบางคนอาจยังหลงทางไม่ว่าจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดย่อมพลัดไปได้เสมอแต่ก็มีการช่วยเหลือชี้แนะแนะนําและพวกเขาจะค่อยๆ อ, ออกมาจากด้านมืดได้เองไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลส่วนตัวฉันเองก็ไม่ได้ทำอะไรดีเป็นพิเศษแต่ก็ไม่มีอะไรไม่ดีเช่นเดียวกัน สิ่งที่ฉันบอกได้คือฉันทำได้ดีทีเดียวสำหรับตัวเองและนั่นคือเหตุผลหนึ่งซึ่งฉันไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนบางคนเหมือนจะคลั่งบางคนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองถึงจะไปได้ตอนนี้เธอกำลังมีชีวิตโรสวูดบอกเธออยากอยู่ที่นั่นตลอดไปหรือใช่ค่ะและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทาไมฉันถึงไม่อยากเกิดการเปลี่ยนแปลงเธอมีความสุขในที่ที่เธออยู่ไหม สุขมากสิคะเออฉันต้องไปแล้วละ่ะอย่างไรก็ตามดูแลตัวเองให้ดีนะคะฉันได้ยินว่าพวกคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมมากๆมาหาเราอีกนะคะเบ็ตตี้กรีนลบเราฉันมาแน่ขอยพบแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะจอร์จฉันไปละบ๊ายบายอีกครั้งที่เธอรักษาสัญญาแต่เมื่อเธอมาพบเราอีกเธอมีความสุขมากเหมือนไม่ต้องกังวลอะไร และเธอก็ไม่มีทีท่าที่หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป